บทที่ 180. หนึ่งร้อยแปดสิบภายหลังการซักถามโดยละเอียดจากพรานพื้นเมืองทั้งสองที่ออกไปสอดแนมสังเกตการตั้งแต่เชาวตรูระพินไพรวันก็สูดลมหายใจลึกด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจและทุกคนก็ยิ้มออกมาได้สิ้นเคราะห์ไปอีกเปลาะหนึ่งฤาษีโกนธัญญาท่านช่วยขจัดปัดเป่าให้เรารอดพ้นวิกฤตการครั้งนี้ไปได้จากการสวดภาวนาวิงวอนของคุณหญิงจริง ประโยคหลังเขาพูดขณะที่มองยิ้มยิ้มไปทางน้องสาวคนสวยของนายจ้างดารินนั้นขณะนี้หล่อนดีใจจนแทบกระโดดหันไปกอดมาเรียไว้แน่นตอบพรานใหญ่ด้วยเสียงปีติใจขีดสุดว่านี่กระพินอย่าทำเป็นพูดเล่นไปนะฉันสวดมนต์ภาวนาจริงๆนะตลอดทั้งคืนเลยขอมมีอะไรมาบันดาลให้มันผ่านความสนใจจากพวกเราไปซะเถิดในที่สุดก็เป็นความจริงแต่เราจะเชื่อได้แน่เพียงไหนล่ะ ว่ามันจะไม่ย้อนตลบมาอีกหมาป่าฝูงใหญ่ที่จับฝูงกันไล่ล่าเหยื่อตามฤดูกาลของมันแบบนี้จะไม่หายกินในลักษณะวกเวียนอยู่กับที่หรอครับมันจะยกกองทัพเคลื่อนหน้าไปเรื่อยๆอะแต่ถ้าจะให้แน่ใจผมจะออกไปตรวจร่องรอยดูอีกทีเนะึ่งขอเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นละครับตอนนี้อยากใจทุกคนรออยู่ในที่พักนีก่อนนะครับเออดีเหมือนกันแต่ควรจะอาเงาทายไปด้วยนะ ทางด้านนี้เราจะรอคอยอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมเหมือนเดิมเชษฐถาบอกจอมพรานหันไปพยักหน้าเรียกแง่ทรายสั่งให้เอาธนูระเบิดติดตัวไปด้วยก่อนออกจากที่พักเขาหันมาบอกกับเชิฐาและชัยยันว่าอย่าเพิ่งถอดสายชนวนระเบิดที่เราวางไว้โดยรอบออกไปเส้นะครับรอก่อนจนกว่าผมจะกลับมาตกลงผู้กอง ชายันยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษในเช้าวันนี้เพราะนอนหลับรวดเดียวตลอดติดต่อกันระยะเวลากว่าแดชั่วโมงเอานิ้วจรดกันเป็นวงกลมส่งมาให้ประกอบคำพูดรพินกับสหายศึกแงสายของเขาก็พลักออกจากบริเวณที่พักผ่านอากาศอันสดชื่นของยามเช้าออกไปโดยเร็วปล่อยคณะนายจ้างและพวกพรานพื้นเมืองทุกคนให้อยู่ในแคมป์ภายหลังเมื่อทั้งสองลับตายออกไปแล้ว บรรยากาศของที่พักเต็มไปด้วยความกระปรี้กระเป่าเชิฐาเรียกจันกระเกิดก็มาสอบถามรายละเอียดอีกครั้งจนกระทั่งแน่ใจได้ว่าพรานพื้นเมืองอันออกไปสอดแนมเมื่อหัวรุ่งนี้ให้รายงานโดยไม่ผิดพลาดแต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ต้องการจะได้รับการยืนยันแน่นอนจากรพินและแง่าสายอีกครั้งเพราะเชื่อได้มากกว่าบทจะมาก็มาอย่างที่เราไม่นึกไอ้บทจะไปมันก็ไปโดยไม่ขาดฝันเหมือนกัน ฉันจะดีใจอย่างที่สุดนะถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับมันเสียได้จะได้สงวนระเบิดของเราไว้ด้วยอดีตนายทหารปืนใหญ่ว่าความจริงไพร์วันเองก็ให้ความหวังกับเราไว้ล่วงหน้าเลยเหมือนกันนะว่ามันอาจจะผ่านไปได้โดยไม่เข้าโจมตีเราแต่เขาก็ถือหลักไม่ประมาทเอาไว้ก่อนโดยการเตรียมป้องกันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานี่มาเรียพูด ตาทั้งคู่ของหล่อนเป็นประกายสดใสกว่าภูมิประเทศรอบๆที่พักอันสงบงดงามอยู่ด้วยธรรมชาติยามเช้าซึ่งมีลักษณะเหมือนอุทยานสวรรค์เมื่อเย็นวานขณะที่เราเห็นมันรุมเล่นงานแรดอาซินอยบนเนินด้านเหนือฉันไม่เชื่อนะว่าเหตุการณ์ทางด้านเราจะผ่านไปโดยเรียบร้อยตลอดคืนนี้คิดว่ามันจะต้องบุกเข้าโจมตีเราแน่ไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่ง ก่อนตะวันขึ้นเธอหลับสบายดีตลอดทั้งคืนไม่ใช่เหรอเมดารินถามแม่สาวปิดตาขาวบิดกายอย่างสบายตัวแลพยักหน้ายิ้มยิ้มไม่ได้เฉลียวคิดเอะใจในคำถามของเพื่อนสาวโดยเข้าใจว่าเป็นการสอบถามกันตามปกตหิหลับเป็นตายเลยรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นแสงตะวันเช้า ว, วันนี้ฉันยังนึกว่าตัวเองฝันไปซะอีก เพราะก่อนหลับไปก็หวังไว้ว่าคงจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงปืนหรือเสียงระเบิดอันหมายถึงว่ามันบุกเข้าเล่นงานเราแล้วราชสกุลสาวหันไปสบตาพี่ชายเหมือนจะเป็นการหาหรือว่าสมควรหรือไม่ที่จะเล่าอะไรให้มารียกชยันทราบว่าระหว่างที่ทั้งสองหลับโดยไม่รู้สึกกายเลยเมื่อคืนนี้นั้นเกิดเหตุอันน่าขนพองสยองกล้าอะไรขึ้นรอบๆอบแคมป์ที่พัก แต่พี่ชายสัตว์สรษะเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งโดยเห็นว่าถ้าบอกไปทั้งสองจะตื่นเต้นตกใจและซักถามมากเรื่องไ ป, ปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดาริงก็เลยระงับความคิดที่จะเล่าให้ฟังไว้เสีแต่เพียงนั้นสําหรับท่านหัวหน้าคณะพอสุบโอกาสเหมาะก็ลอบพยักหน้าเรียกตาเท่าบุญคำมาสั่งความกําชับว่านี่บุญคําอย่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ในายทหารนายแหม่มและพวกเราคนอื่นรู้เปน็นขัดนะ เฉยๆซะนะสมุนมือขวาของระพินหน้าตื่นทำไมเลอะนายใหญ่ก็ไม่ทำไมหรอกเราเห็นกันเพียงแค่สี่คนก็ให้รู้กันแค่สี่คนนี่แหละถึงเล่าไปก็เปล่าประโยชน์พวกเราคนอื่นๆไม่เห็นน่ะดีแล้วเขาจะได้ไม่ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกน้องของบุญคำเองนั่นแหละนายทหารกับนายแหม่มนักกลัวผีด้วยหรอนายใหญ่ เขาก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ฉันไม่ต้องการให้เขาซักถามอะไรมากหรือว่าเกิดความสนใจกับต้นว่านเหล่านั้นขึ้นมาพวกเขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะนับว่าโชคดีแล้วตลอดวันนี้ทั้งวันพวกเราทั้งหมดจะได้ทุ่มพลังความคิดให้กับการค้นหาทางเพื่อปัดขึ้นเทือกพระศิวะฉันไม่อยากให้พวกเราคนใดคนหนึ่งมัวไปเสียเวลาพะวงถึงเรื่องอื่นมันจะตัดทอนพลังความคิดและสมาธิออกไปโดยใช่เหตุบุญคานิ่งคิด แล้พยักษน่ะก็ดีเหมือนกันอยากที่นายใหญ่ว่าถ้างั้นนายใหญ่ต้องเตือนพลานใหญ่และไงทรายเวสุด้วยล่ะให้ปิดเรื่องไว้สองคนนั้นไม่ต้องห่วงรอกบุญคาเพราะเขาไม่ใช่คนช่างพูดอยู่แล้วแต่แม่เสียดายบุญคำกาลังคิดจะไปขุดเอาหัวว่านผีปอพวกนั้นมาให้นายดูอยู่ที่เดียวจะได้เห็นไว้เป็นขวัญตาจดจาเอาไว้ เพื่อไปพบที่ไหนเขาอีกในคราวหน้าบุญคำจะไปขุดไม้ดูก็ดีเหมือนกันฉันก็อยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้แต่ขออย่างเดียวไม่ต้องเล่าถึงวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นว่านเหล่านั้นซึ่งออกมาให้เราเห็นเมื่อคืนนี้ให้พวกเขารู้ได้นายใหญ่บุญคำจะไม่ปริปากถึงเรื่องนี้แต่จะไปขุดหัวมันมาให้นายใหญ่กับนายหญิงดูว่าแล้วแกก็ขยับจะลุกออกไปนอกบริเวณเพื่อทาเหมือนพูด เชิฐากดไหลไว้เดี๋ยวบุญคำยังไม่ต้องออกไปเดี๋ยวนี้หรอกร้อยพรานใหญ่กับแงซทายกลับมาซะก่อนดีกว่าลูกระเบิดของเราก็ฝังอยู่บริเวณนั้นสายชนวนก็ยังไม่ได้ถอดออกเข้าไปขุดผิดขุดถูกโอ้ดีไมด่ดีตัวบุญคำเองอะจากลายเป็นผงไปรบพินไพรวันกับแง่ทายหายเงียบกันไปไม่ถึงชั่วโมงก็โผล่กลับมาเรียบร้อยครับมันไปกันหมดแล้วจริงๆ สบายใจได้ครับท่านใหญ่ทรงเสียงแจ่มใสรายงานล่วงหน้าเข้ามาก่อนที่ตัวของเขาจะมาถึงดารินยกมือขึ้นพนมหลับตาลงเหมือนจะแสดงความคาระวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลอนบุญบาลสารกล่าวไว้เชิดาชยันและมาเรียถอนใจออกมาอย่างโล่งอกพร้อมๆกันหลังจากที่ทุกคนกินอาหารมื้อแรกของวันอิ่มหนำและแดดเริ่มจะแรงขึ้น เชฐาก็สั่งให้ถอนระเบิดที่ฝังไว้ยังตำแหน่งต่างๆกลับคืนต่างยินดีปรีดาที่ระเบิดเหล่านั้นไม่ต้องถูกใช้ให้หมดเปลืองไปเลยแม่แต่ลูกเดียวระหว่างที่พลายใหญ่คุมคนของเขาทั้งหมดไปเก็บระเบิดดาริงก็เลี่ยงเข้ามากระซิบว่าพี่ใหญ่ไม่ต้องการให้ชา ย, ยันกเมรู้ถึงปรากฏการณ์ประหลาดจากต้นว่านผีปอบเหล่านั้นที่เราเห็นกันสี่คนเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่มันแห่กันมา อ, ออยู่รอบๆแคมป์ของเราเขาอยากจะให้เรื่องนี้เงียบๆไปซะครับดีครับระปินตอบพร้อมกับยิ้มให้นิดนึงถ้าคุณหญิงกับคุณชายไม่ได้เป็นฝ่ายบอกให้ทั้งสองคนนั่นทราบเสียก่อนขอรับรองได้ครับว่าจะไม่มีโอกาสรู้จักผมหรืองแอร์แน่นอนครับเราควรจะปิดเขาเหรอตามความรู้สึกของคุณน่ะ มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับและเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วรวมทั้งไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นอีกด้วยคุณชายคิดถูกแล้วะครับที่เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องเล่าให้คุณชายยันและเมยทราบเพื่อไม่ให้เปลืองสมองเพราะวันนี้ตลอดทั้งวันเรามีงานหนักที่สุดรอให้ช่วยกันทําอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ใช่งานที่ใช้แรงกายเลยก็ตามปิศณาลายแทงใช่ไหมครับนั่นแหละครับงานหนักของเราทั้งหมดละครับ พอจะให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมื่อวันนี้เราจะเริ่มกันยังไงสำหรับเวลาที่เหลืออีกทั้งวันก่อนตะ ว, วันตกดินค่ำนี้ผมก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันครับอยากให้พวกเราใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนเอาแรงกันไว้ให้เต็มที่จนกว่าจะถึงเวลานั้นและระยะเวลาระหว่างนี้เลิกคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิน้นนอกจากจะช่วยกันคิดประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยค ที่คนตายเมื่อสี่รอปีก่อนนี่เขียนเอาไว้คิดก็แล้วกันแล้ว พ, าพรานไพรใจฉกาดของหล่อนก็พระไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาเยี่ยงลูกจ้างผู้ขยันขันแข็งชั่วไม่นานระเบิดทุกลูกที่ฝังไว้ก็ถูกตามเก็บมาบรรจุหีบของมันตามเดิมอย่างเรียบร้อยกลับขึ้นมารวมกลุ่มพร้อมหน้าอย่างที่พักอีกครั้งในคราวนี้บุญคาสพา ย, ย่ามผ้าเข้ามา หออะไรไว้ภายในมาด้วยพอมาถึงได้โอกาสเหมาะก็เดินตรงสุดกายนั่งเบื้องหน้าของนายใหญ่และนายหญิงแก่หอออกแบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในให้ดูเชษฐาดารินจ้องเขมิงลงไปก็มองเห็นหัวของพืชชนิดหนึง่งขนาดเท่ากําปั้นเขื่องๆลักษณะคล้ายๆหัวมันมือเสือผิวเต็มไปได้วยปุ่มปำและมีรากฝอยเล็ก งอกยุ่มยามออกไปรอบรอบด้านหัวหนึ่งวางอยู่ในนั้นยังมีรอยดินปนทรายเปื้อยๆอยู่แสดงว่าเพิ่งจะขุดงัดขึ้นมาจากพื้นดินดูมันไว้ซะหน้าใหญ่หน้าตามันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้ตัวต้นเหตุที่มันแห่กันมากวักมือเรียกเราเย๋เยยเมื่อคืน่ะหมอดาริมทำหน้าเบะหอไหลลงอย่างคุนลุกส่วนเชิถาจ้องอย่างพิจารณาทีท่วน แล้วร้องเรียกรพินผู้กําลังทําอะไรง่วนอยู่ที่กองสัมภาระให้เข้ามาดูด้วยจอมพานพอมองเห็นเขาก็ยิ้มออกมานิดหนึง่งมองหน้าบุญคํานายใหญ่บอกให้เงียบๆเฉยๆไว้ไม่ใช่เหรอบุญคำแล้วดันไปขุดขึ้นมาทมําไมก่อนนายใหญ่กับ น, นายหญิงอยากจะเห็นหัวของมันที่บุญคําบอกไว้เมื่อคืนนี้บุญคําก็เลยไปขุดมาให้ดูให้เห็นชัดกระตาอีกครั้งแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหรอก นี่ปู้กองดูแลรูปร่างมันมันมาเป็นอย่างนี้เหรอเชษฐาถามเขาเบาๆผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับแต่ถ้าบุญคำไปขุดมาจากต้นของมันเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วครับดูที่หัวของมันนี่ลักษณะก็ไม่ค่อยจะเป็นมงคลตานะแต่ถึงยังไงมันก็ยังดูไม่น่าสยดสยองเท่าเงาของเห็ดกินคนที่เราพบที่ทะเลสาบมรณะนั่นจริงไหมครับ แล้วก็ก็หันไปถามสมุนมือขวาขุดลึกลงไปเท่าไรจรึงจะพบหัวของมันก็ประมาณศอกเดียวเท่านั้นละนายไม่ลมลุกมีลักษณะโน้มเอียงไปในประเภทพวกเครือเถานะท่านหัวหน้าคณะพื้นพำชักมีดโบวี่ออกมาเคียหัวของมันดูอยู่ไปมาไปตายเถอะมันไม่น่าจะมีอิทธิฤทธิ์สำแดงปรากฏตการได้หน้าขนหัวลุกเช่นนั้นเลยนะ ปกติแล้วมันจะเฮี้ยนปรากฏตัวตนออกไปหลอกหลอนได้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูออกดอกของมันเท่านั้นนะดอกของมันเป็นสีม่วงคล้า ย, ายดอกรักแต่รูปร่างเหมือนกระโหลกผีบุญคำตรวจ ด, ดูตลอดแล้วก็ไม่เห็นต้นไหนมันออกดอกเลยสักต้นนึงทงไหลยแหลมมันก็คงมาจากไอ้มือบอนแง่ายนั่นแหละนายที่ไปแกล้งฟันกิ่งถอนต้นมันขึ้นมาเวี่ยงทิ้งสักสองสามต้นมาเย็นวาน ก็เท่ากับเป็นการไปปลุกมันขึ้นมาละนายเอ้าก็บุญคำเก่งในทางสยเวทไม่ใช่หรอือแน่ายก็คงอยากจะลองภูมิดูบ้างนะสิอีทีนี้สำคัญว่าตลอดเวลาน่ะบุญคำนอนหลับโวยไม่รู้เรื่องฉันกับนายหญิงตะหักที่ตื่นอยู่ก็เลยเจอดีเขาก่อนิต่พรานใหญ่ไม่ปลกบุญคำขึ้นมาก็คงยังไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละเชื่อทากล่าวปนหัวเราะ อ, อย่างอารมณ์ดี ตะพรานเท่าเอามือเกากระบาลอยู่กรากรักโธ่นในยา่ลืมไปซะแล้วเหรอยามสองต่อจากไอ้แง่ายก็คือยามของบุญคำมันคงกะเอาไว้แล้วสิว่าพอหมดยามของมันกลับเข้ามานอนสบายบุญคำขึ้นไปอยู่ยามคนเดียวบนเนินนั่นเป็นต้องเจอะเข้าแน่แน่ไอ้แง่ายน่ะมันเหลือร่ายมันลองวิชาทุกคนนั่นแหละ แต่ตัวมันนะ่ะถูกไอ้แมงมุมหกขานะ่กกัดมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ไอกก้้างตาแกไอ้พันนี้นะ่ะมันน่าปล่อยให้ตายไปซะแต่ตอนนั้นแหละดีพูดแล้วจะว่าคุยเรื่องอื่น่ะบุญคำอาจแพ้มันแต่เรื่องอย่างนี้นะี่ยอย่ามาลองบุญคำเลยเอาอยู่หมดไม่แน่จริงไม่เผาซากไอ้ผีดิกมันไรวอดวายเป็นขี้เท่าไปได้หรอกด่ารินลืมตาโต ร้องออกมาเบาๆว่านี่แปลว่าแง่สายเล่นพี่เรนโดยเจตนาจริงๆเหรอพี่ใหญ่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพระพินดูเพราะเขารู้เช่นเห็นชาติกันอยู่อย่าไปสนใจอะไรกับคําพูดของบุญคําเลยครับแง่สายคงไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกพระพินตอบไปซะอีกอย่างหนึงด้วยสีหน้าเรียบๆของเขาดาริงจ้องตาเหมือนจะค้นหา ฉันเพิ่งจะเห็นคุณออกรับแทนแงสายครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะรู้สึกดีใจด้วยความจริงมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นมานานแล้วนะคุณแต่ฉันก็เชื่อตามเหตุผลที่บุญคำพูดมันี่ทุกอย่างเหตุผลอะไรเลยครับคุณหญิงก็เรื่องที่แกล้งไปยุยู่ให้มันออกมาอาลว่าสำแดงเดดขึนนะสิก็คงจะอยากดูว่าบุญคำจะแก้ได้ไหมคงไม่ใช่เรื่องทุจริตคิดร้ายอะไรหรอก เพียงเพื่อหาเรื่องให้มันเกิดเหตุหวาดเสียวขนลุกขนชันขึ้นมาเล่นๆ่นเท่านั้นแง่ใยจะต้องรู้ดีเท่ากับคุณว่าคืนนี้ถึงยังไงซะไอ้พวกหมาป่าเหล่านั้นคงไม่มาโจมตีเราแน่นอนอยู่ว่างๆก็เลยคิดหาเหตุพิเรนลองดีบุญคําเล่นก็ควรจะต้องถามเง่าจนะครับไม่ใช่มาถามผมฉันไม่ไปถามเขาหรอกเพราะไม่ได้ติดใจที่จะเอาเรื่องอะไรทั้งสิน้นคิดอีกทีก็ไม่อยากจะตําหนิเขาอาจเป็นไปได้ ในข้อที่ว่าเงาทรายต้องการให้พวกเราทุกคนได้รู้เห็นในสิ่งที่เขารู้ภายในอาณาจากักรฝาดงพงไพรนี้แต่แทนที่เขาจะบอกเราด้วยวาจาซึ่งเราอาจเห็นว่าเขาพูดมดเทสไม่เข้าเรื่องก็เลยพิสูจน์โดยการกระทําให้เห็นกับตาซะเลยเป็นการสอนให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจากพฤติการที่เกิดขึ้นดีกว่าการบอกเล่าด้วยคําพูดถึงคนเองก็เคยใช้วิธีการเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ คุณหญิงครับเราร่วมชีวิตครุกคลีกันมานานเดี๋ยวนี้คุณหญิงก็พอจะเข้าใจอะไรได้ดีแล้วนี่ครับพันใหญ่พูดชัดเจนแผวเบามองประสานสายตาดารินอย่างเปิดเผยเข้หมายความตามที่พูดนั้นอย่างแท้จริงถูกแล้วเดี๋ยวนี้ดารินเข้าใจถ่องแท้แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของป่าเข้าใจอย่างซึ่งในเหลี่ยมคูอุปนิสัยใจคอของผู้ร่วมคณะทุกคน และเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหล่อนเข้าใจเจ้าองครักประจำตัวผู้แสนจะลึกลับคนนั้นอย่างที่เขาเคยปรารถนาจะให้หล่อนเข้าใจเพื่อจะได้ขจัดความขัดแย้งระหว่างเขาและหล่อนลงสีกทีเทาหัวเราะสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าใหญ่ของคณะผู้นี้ซึมทราบอะไรต่ออะไรดีมาก่อนใครทั้งสิ้นเป็นผู้สงบสํารวมไม่นิยมการต่อความยาวสาวความยืดกระใคร ได้บอกตัด บ, บทกบุญคําขึ้นว่ากํำรับมันไว้ดีกบุญคําอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านอีกเลยเป็นั้นขาดเพราะอย่างน้อยคืนนี้เราก็จะต้องอยู่ที่นี่กันอีกบุญคํารับรองนายใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ตาพรานเท่ารับคําอย่างแข็งขันขณะนั่นเองก่อนที่เชษฐาฤทธพินจะสั่งการเช่นไรต่อไปเกี่ยวเกาวหัวว่านประหลาดหัวนั้น ชยยายันกามารียผู้ช่วยกันตรวจเข้าของอยู่ทางหนึ่งชั่เลืองสังเกตมาที่กลุ่มของเชษฐานานแล้วเห็นกําลังมุงสนใจอะไรกันอยู่ก็ชวนกันเดินตรงเข้ามาสมทบโดยเร็วบุญคําพยายามจะเอาผ้าขาม้าห่อปิดซ่อนไว้แต่ก็ไม่ทันทั้งสองช่า ง, งกหน้าเข้ามามองและถามขึ้นพร้อมกันว่าอะไรอ่ะทั้งสี่คนที่มุงล้อมเจ้าสิ่งนั้นกันอยู่ก่อนพากันนิ่งไปแต่แล้วก่อนที่จะเกิด มีพิรุษสงสัยอะไรมากมายต่อไปท่านหัวหน้าคณะก็ย้อนถามเรียบๆว่าก็แก้ว่ามันเป็นอะไรล่ะชา ย, ย, ยันจ้องยังไม่สนใจอะไรนะักรูปร่างคล้ายๆมันมือเสือนะท่ไมพอจะมาต้มกินหรือเผากินได้ไหรือมะบุญคาทาหน้าพิกลบอกว่าเห็นจะกินไม่ได้หรอกนายทหารมันเป็นว่านประเภทมีพิษเบื่อเมา วัานอะไรแล้วมาจากไหนอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามติดต่อมาโดยเร็ ว, รวบุญคาชักอึกอักตอบไม่ถูกมองหน้านายใหญ่เชษฐาก็เลยกรบเกลือนมาแทนว่าวัานอะไรก็ไม่รู้บุญคำไปขุดพบจากต้นของมันที่ขึ้นอยู่ริมทาร น, น้ำข้างล่างนั่นเห็นรูปร่างมันแปลกดีก็เลยเอามาให้ดูตัวแกเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันอิใช่ไหมอ่ะ ก็ทำไมเคยเห็นแล้วทำไมถึงรู้แล้วว่ามันมีพิษเบือ่อเมาฉันว่าเราน่าจะเอาไปหมกไฟเผาดูนะบางทีอาจกินได้เราไม่ได้กินพืชผักกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอคำพูดของชัยยันทำตาเท่าแทบจะสะดุ้งโยงหดคอลงทําตาเหลือกดารินคอนเพื่อนชายของหล่อนกลัไม่เข้าเรื่องชัยยันดูสาระรูป ข, ของมันสิว่าน่าจะมาเป็นอาหารได้เหรอเอาอยากกินก็กินเชิญกินคนเดียวแล้วกัน ประเดี๋วฉันจะให้บุญคำเผาไฟตะกินเอามาชายันทำหน้าหรือรามองคนโน้นทีคนนี้ทีอย่าไม่รู้เรื่องแล้วพิงยิงถือโอกาสสั่งมาเอาไปทิ้งบุญคำทิ้งข้างนอกบุญคำจัดการจะห่อหัววานอีกครั้งแต่แล้วก็ต้องชนงงดไปอีกเพราะเสียงทักขัดขึ้นซะก่อนเดี๋ยวเจ้าของเสียงคือมาเรียผู้ตลอดเวลายืนจ้อ ง, องพิจารณาอยู่เงียบเงียบ ขณะที่ร้องทักหล่อนก็ค่อยสุดกายลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าของว่านหัวนั้นขอมีดโบวีจากมือเชิดเ้าไปเขี่ยพิจารณาดูถีท่วนลักษณะแสดงว่าสะดุดเข้ากับความเอกใจบางอย่างทุกคนนิ่งเงียบอีกครั้งเพราะระหนักดีว่าอดีตปัญญาไม้ของดกเตอร์ฮอฟมันเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ไม่น้อยในด้านพฤกษาศาสตร์อย่างน้อยที่สุดสามีผู้ร่วงรับของหลอนก็อุทิศตนตลอดทั้งชีวิตเพื่อการคนา้นคว้า ในด้านนี้อยู่แล้วและตลอดเวลาหล่อนเองก็ติดตามศาสตราจารย์ผู้สามีไปทุกป่าในทุกมุมโลกเกี่ยวกับ ง, งานประเภทเดียวกันในฐานะผู้ช่วยความสนใจของหล่อนที่มีต่อหัวว่านชนิดนั้นทำให้อีกสี่คนรอบมองตากันมาเรียพินิจอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะเงยขึ้นมองไปทางบุญคำถามเป็นภาษาพาม่าว่าลักษณะใบและต้นของมันเป็นยังไง ระหว่างที่ตาพรานเท่ายัางลังเลหล่อนก็กล่าวต่อมาว่าลักษณะเป็นประเภทเครือเถาใช่ไหมใบเป็นแฉกฝ อ, อยเล็กๆใช่ๆไายแม่มมาเรียหันไปทางพักพวกทุกคนหวางด้านคมของมีดลงบนหัวว่านั้นบอกว่าถ้าเนื้อในมีลักษณะคล้ายๆเยลลี่สีดำคล้ำเป็นยางเหนียวมีกลิ่นคืนเกี๊ยวจัด มันก็น่าจะเป็นหัวของว่านชนิดหนึ่งที่ฉันกับสเตเกอร์เคยพบมาแล้วในป่าลึกแถบอเมริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือยาพิษอย่างแรงพอๆกสัสยานัยทุกคนใจฉันลองผ่าดูไหมสี่คนมองดูมาเรียอย่างแปลกใจเชิาพยักหน้าอ่ะลองดูก็ได้เมมสาวเมมริมฝีปากค่อยๆกดคมมีดลง ผ่ากลางหัวหว่านลงไปอย่างช้าๆแล้วแบกออกให้ขาดเป็นสองสี่ตรงตามที่หลอนบอกไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเนื้อในของมันมีลักษณะคล้ายๆวุ้นแข็งสีดำเต็มเรืยางเหนียวข้นมารียกปลายมีดมันเป็นตำแหน่งที่คมกดผ่าลงไปขึ้นมาดมห่างๆจมูกไม่พูดคำใดทั้งสิน้นส่งมีดเล่มนั้นให้เฉิฐาท่านหัวหน้าคณะทดลองดมดูบ้างอย่างระมัดระวงัง แลวทำหน้าสอิดเสะเอียนกลิ่นชวนอาจเจียนนะเขาพึพรรมพมเบาๆไงยังคิดอยากจะเผาหรือต้มกินอีกไหมละ่ะปชายันดารินถามเมยคุณรู้จักหัวพืชชนิดนี้ดีมาก่อนแล้วเหรอชยันกระซิบถามเมียมแหม่มของเขาอย่างทึ่งๆก็ไม่ดีนักหรอกแต่เคยเห็นสเตเก้นเคยพยายามสาะค้นหาเพื่อนาไปวิเคราะห์สารที่ประกอบอยู่ในตัวของมัน ฉันน่ะเป็นแค่เพียงผู้ช่วยเขาสำหรับงานส่อแสหวงหาในป่าเท่านั้นไม่เคยรู้อะไรในห้องแล็บพืชนิดนี้หาได้ไม่ง่ายนักนะสามีของคุณเรียกต้นพืชนิดนี้ว่าอะไรการใหญ่ผู้ยืนเงียบอยู่ตลอดเวลาถามเป็นครั้งแรกโอ๊ยนี้ชื่อเป็นละเตนยาวเหยียดว่างไงฉันจำไม่ได้ละแต่คนป่าในแถบนั้นเรียกเป็นภาษาของเขาแปลออกมาง่า ย, ายว่าว่านผี ไม่มีสัตว์ชนิดไหนกล้าแตะกล้องใบกิ่งและส่วนประกอบทุกส่วนของมันหรอกยางจากใบนะถ้าเข้าตาอาจทำให้ตาบอดถ้ากินเข้าไปก็ตายแต่ปริมาณของพิษจะรวมกันอยู่ที่หัวซึ่งฝังอยู่ใต้ดินของมันก็เห็นจะชัดแล้วล่ะครับพี่ใหญ่หากคำบอกเล่าของเมนี่เราจะถือว่าเป็นรายงานข่าวจากการค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์สาขาสมุนไพรมันก็ใกล้เคียงกันกับที่เราพบเห็น และจากคำบอกเล่าของบุญคำแทบทุกอย่างมันต้องเป็นว่านชนิดเดียวกันนั่นแหละหมอดารินกระสิบกับพี่ชายเป็นภาษาไทยเชิดาส่งมีดของเขาที่มาเรียใช้ผ่าหัวว่านไปให้ตาท่าบุญคำเอาไปทิ้งซะบุญคำแล้วไปขัดล้างมีดเล่มนี้ให้สะอาดด้วยบุญคำปฏิบัติตามคำสั่งของนายใหญ่โดยเร็วรีบหอบเอาหัวว่านและมีดเล่มนั้นเดินพลาลงไปยังฐานน้เบื้องลาง ไม่มีใครพูดหรือแสดงความสนใจกับว่านมาหาภัยนั้นอีกสําหรับมาเรียนั้นทั้งเชธธาดารินและรพินเชื่อว่าหล่อนคงจะรู้จักมันในด้านพิษร้ายอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่ทราบอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเพราะสังเกตดูว่าหล่อนไม่ได้พูดอะไรอีกซึ่งก็เห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องบอกให้หล่อนทราบตลอดระยะเวลาครึ่งของวันช่วงแรกจากเช้าถึงเที่ยง ท้งคณะปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับการพักผ่อนและสนทนากันในปัญหาซึ่งกำลังจะมาถึงภายหลังเมื่อตะวันตกดินไปแล้วคงมีก็แต่งแงซายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ขออนุญาตออกเดินสำรวจภูมิประเทศแวดล้อมแล้วหายเงียบไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าคนใช้พิเศษของคณะหายไปทางทิศไหนทุกคนรู้ว่าแง่สายแสดงออกให้เห็นถึงความเพียรพยายามอย่างสุดขีดผิดไปกว่าทุกครั้ง ที่จะให้ปรุกปลงต่อพื้นภูมิประเทศแถบนี้มากที่สุดเพื่อการแสวงหาลู่ทางโดยไม่จำเป็นจะต้องกระตุ้นเตือนขอรอ้องตลอดเช้าวันนี้เจ้าคนที่เงียบขรึมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่พูดจาคำใดกับใครเลยแม้แต่กับพวกพรานพื้นเมืองอันอยู่ในฐานะเพื่อนฝูงทั้งหลายหากแต่ซึมสงบแววตาเต็มด้วยความคิดนานับประการโดยไม่มีใครอ่านใจออก แล้จู่ๆก็เข้ามาขออนุญาตพรานใหญ่กับท่านหัวหน้าคณะเพื่อออกไปตระจเวรพื้นที่จากนั้นก็หายไปหลายชั่วโมงโดยไม่มีวี่แววว่าจะโผล่ ก, กลับมาเมื่อใดแต่ก็ไม่มีใครเป็นห่วงนักเพราะรู้มือดีอยู่แล้วมันจะไปไหนก็มันไปเถอะครับแต่ไม่เกินค่ําวันนี้เงาทายก็ต้องกลับมาแน่นอนพรานใหญ่บอกประมาณบ่ายโมงสิ แง่ทรายผู้หายไปตั้งแต่เวลาประมาณสิบนาฬิกาก็ยังไม่กลับกระพินข้ามาบอกคณะนายจ้างของเขาเพื่อจะออกสำรวจบริเวณด้วยอีกคนนึงคุณจะไปตามแง่ทรายเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องตามแง่ทรายหรอกครับผมแค่อยากจะออกตรวจไปตามลาพังจากระยะเวลาที่พอเหลืออยู่นี่บางทีมันอาจจะได้ความคิดอะไรเพิ่มขึ้นนี่คุณแง่ทรายนะหายป๋อมไปคนนึงแล้วนะ เราไม่ต้องการให้คุณหายไปอย่างไม่รู้เบาะแสอีกคนหนึ่งดารินรอบครอบเสมอเพราะฉะนั้นบอกให้แน่นอนมาก่อนดีกว่าคุณว่าคุณจะไปทางด้านไหนและจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ผมจะไปภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงเป็นอย่างชาครับแต่จะไปด้านไหนนี่ยังบอกไม่ได้แน่นอนเหมือนกันว่าจะไปตรวจเรื่อยๆครับเชษดาหันไปปรึกษาหารือกันเองในหมู่ของเขาแล้วว่า เราทุกคนก็ไม่อยากจะนั่งรอเฉยๆอยู่ในที่พักนี่หรอกนะผู้กองเพราะฉะนั้นเราสี่คนจะไปกับคุณด้วยแล้วกันจะได้ช่วยกันคิดค้นหาลูกทางให้พวกนี้เฝ้ารออยู่ที่นี่นะคุณมีอะไรขัดข้องไหมไม่ขัดข้องครับสี่คนแยกกันไปจัดเรียมตัวชั่วไม่นานก็พร้อมประพินเรียกบุญคํามาสั่งกําชับให้คุมที่พักไว้ไม่ให้ใครออกไปไหนทั้งสิน้นแล้วนํานายจ้างทั้งสี่ของเขาออกจากแคมป์ ในลักษณะเดินตรวจภูมิประเทศไปเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนและไม่มีจุดหมายที่ตั้งไว้แน่นอนผ่านลงทานแคบๆใต้ที่พักปัดขึ้นยังฟากเนินตรงข้ามรงไปยังตำแหน่งป่าปรุงอันเป็นหลุมที่พักของนายชดประชากรกับนานอินที่ค้นพบไว้ก่อนแล้วเมื่อวานนี้จากนั้นก็ายหน้าไปยังเนินลาดด้านใต้อันเป็นบริเวณที่ชัยยันกมามเรียปะทะกระฟูหมาป่ากระหายเลือด เป็นครั้งแรกตลอดเส้นทางที่เดินรวมอยู่กันไปต่างพยายามใช้สายตาตรวจภูมิประเทศอย่างพินิษพิจารณาไปเป็นลำดับจากเหลี่ยมมุมของขอบขุนมเขาใหญ่น้อยที่แวดล้อมอยู่ทั้งใกล้แหลกไกลประมาณหนึ่งชั่วโมงให้หลังจอมพรานก็นำคณะนายจ้างทั้งสี่ขึ้นมานั่งพิจารณาภูมิประเทศอยู่บนยอดบริเวณหนึ่งของเขาด้านใต้มองลงไปเบื้องล่าง และเห็นภาพนางนอนอันเกิดจากที่ราบสูงและที่ราบต่าพร้อมทั้งสิวเทพอย่างถนัดเป็นครั้งแรกที่คณะนายจ้างทั้งสีมีโอกาสได้มองเห็นเดินพระจันทร์ชัดเจนอีกครั้งภายหลังจากที่ได้เดินลงจากเขาลูกนี้ตั้งแต่วนันสื่มันเป็นตาแหน่งบริเวณของพื้นที่อันสวยงามที่สุดของภูมิประเทศภาพนางนอนทั้งหมด ทั้งหมดนั่งพักพิจารณาอยู่เงียบเงียบดารินอกล้องออกมาสองกราดสูงต่ำไปรอบๆส่วนชา ย, ยันและมาเรียใช้มองด้วยสายตาเปล่าเวลาดังกล่าวนี้ระพินไพรวันเอาแผนที่ฉบับคาแปลออกมาคลี่กลางกับพื้นโดยมีเชษฐาเข้ามาชะโงกดูอยู่ด้วยและโดยยังไม่เอ่ยคำใดทั้งสิน้นท่านหัวหน้าคณะใช้ก้านดอกหญ้าที่ถือติดมืออยู่ชี้วนลงไปยังตาแหน่งเนินพระจันทร์ ที่ระบุไว้ในแผนที่เมื่อรพินเหลือบขึ้นศบตาเชษฐาก็ชี้มืออีกด้านหนึ่งลงไปยังภูมิประเทศเนินพระจันท์ที่เห็นตำตาเด่นชัดอยู่เบื้องล่างผู้กองเรามาช่วยกันคิดสิว่าทำไมเจ้าของลายแทงจึงจบจงให้เราต้องขึ้นไปรออยู่บนเนินลูกนั้นโดยเฉพาะด้วยเพื่อรอให้ปิ่นพระศิวะฉายแสง เท่าที่เรามองเห็นภูมิประเทศจริงทั้งหมดในขณะนี้มันเป็นภูมิประเทศเปิดโล่งไม่มีเหลี่ยมมุมอะไรบังเลยสําหรับทุ่งหญ้าข้างล่างนั่นไอการที่จะอยู่บนเนินจันทร์หรือเนินส่วนอื่นๆในละแวกใกล้เคียงก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดแผ่เป็นพิเศษออกไปสําหรับการรอดูพระจันทร์ขึ้นในบริเวณนี้ทั้งหมดมันก็น่าจะมีความหมายลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งแฝงอยู่ในคําสั่งลายแทงนี้ด้วย ถึงได้กําหนดเจาะจงไว้เช่นนั้นระพินทอดสายตารีลงไปยังตำแหน่งมอนเวเนริสหรือนินเหนือเชิงกรานของภาพนางนอนมะฮืมาที่ทอดร่างขวางอยู่เบื้องล่างต่ำลงไปเหมือนกับว่าจะปลุกให้นางผู้นิทราสนิทนิ่งอยู่นั้นตื่นขึ้นมาเฉลยความในของปัญหาครับผมก็คิดอย่างคุณชายเหมือนกันนะครับในข้อที่ว่าทาไมถึงต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วย ภายหลังตะวันตกดินไปแล้วแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆครับที่พักของเราจากภาพที่เห็นนี่นะผมเข้าใจว่าคงจะอยู่ในระหว่างปลายมุมเนินสามเหลี่ยมที่วาวหายไปทางฝั่งโน้นใช่ไหมคุณครับแต่ในขณะ น, นี้ส่วนโคกสูงขึ้นมานั่นบังไว้ครับทําให้มองไม่เห็นเว้นแต่เราจะไต่เขาลูกนี้ขึ้นไปสูงกว่านี้อีกหรือมิฉนั้น ก็เดินอ้อมตามไหลเขานี่ไปทางด้านตะวันออกก็พอจะสังเกตเห็นที่พักของเราได้ประเดี๋ยวจะเอากันยังไงเนี่ยพอกลับลงไปก็เคลื่อนย้ายของทั้งหมดของเราขึ้นมารอคอยกันอยู่บริเวณเนินนั่นเหรอก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าหากเราจะยึดถือตามคำสั่งของลายแทงเป็นหลักปฏิบัติเก็บ <c oughs> ของทุกชิ้นอย่างเตรียมที่จะออกเดินทางได้ รถขนกันขึ้นมาชุมนุมพักรอคอยอยู่บนเนินนั่นเป็นความหมายว่าในทันทีที่มองเห็นลู่ทางอย่างที่ลายแทงบอกเราก็จะตัดขึ้นตามทางที่เห็นนั้นในทันทีเป็นการเดินกันในเวลากลางคืนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องพิสดารมากผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่เราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามคาสั่งนั้นความหมายของคาสั่ง กำหนดไว้อย่างชัดเจนที่จะให้เราตัดขึ้นเทือกพระศิวะในเวลากลางคืนเลยทีเดียวมิฉนั้นจะไม่เขียนไว้ด้วยประโยคเช่นนี้นะครับท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นรูปลายคางเชยันคืนนี้พระจันทร์ขึ้นและตกเวลาเท่าไหร่สหายของเขาล้วงไดรี่ประจำตัวซึ่งมีปฏิทินรวมอยู่ด้วยขึ้นมาเปิดขึ้นนบายสี่โมงเย็นขึ้นบายสี่โมงเศษ แต่ตกหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยพระจันทร์วันขึ้นห้าคำน่าจะต้องขึ้นวันกว่าเวลาที่ปฏิทินของเธอบอกมากนะแล้วก็น่าจะตกเร็วกว่านั้นด้วยด่าริงแยงเพื่อนชายยักไหลก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีปฏิทินอันนี้อาจคลาดเคลื่อนหรือพิมพ์ผิดก็ได้มันก็เป็นแค่เพียงสมุดแดอรี่ที่พิมพ์แจกกันตามธรรมดาเท่านั้น ซึ่งฉันก็บังเอิญมีติดตัวมาด้วยถ้าเรารู้ล่วงหน้าสะ ก, ก่อนว่าจะต้องค้นหาเวลากันให้แน่นอนในเรื่องนี้ฉันก็จะได้ค้นหาเวลามาให้ตายตัวแน่ๆอะเอาเป็นว่าให้ถือเสว่าเวลาขึ้นหรือตกของพระจันท์ในปฏิทินนี้เป็นเวลาที่อนุมานไว้ก็แล้วกันมาเรียงเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าสีเทาซึ่งเริ่มจะขมุก ข, ขมัวลงเพราะหมอกทึบเบื้องบน และมองไปทางตะวันออกอันมีทิวเขาสูงบังอยู่ลิบๆแล้วถามเชษฐาว่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับพี่ใหญ่อีกสิบหานาทีสามโมงเย็นฉันก็มีความเห็นอย่างเดียวกับที่น้อยว่านะคะคืนพระจันทร์ขึ้นห้าคำ่ำควรจะขึ้นเร็วกว่าปฏิทินสัปปรังเคของชายันบอกไว้ตอนนี้อาจโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแล้วก็ได้แต่มีเหลี่ยมเขาบังอยู่ หรือต่อให้ลอยขึ้นมาบนฟ้าแล้วก็ตามเราก็ยังไม่เห็นเพราะเป็นเพียงเสี้ยวบางๆประกอบกับเมฆหมอกก็หนาและตะวันก็ยังไม่ตกดินจึงเห็นยากก็เราจะไปสนใจกับพระจันทร์ตอนนี้ก่อนทําไมเล่าไม่ว่าจะโผล่ขึ้นมาบนฟ้าแล้วหรือไม่ตามคําสั่งของลายแทงบอกว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดนั่นก็แปลชัดอยู่แล้วนี่ว่าต้องรอให้ตะวันตกดินไปซะก่อน จันซิยวจึงจะปรากฏแสงสรุปก็คือเราควรสังเกตรพระจันทร์ในเวลาค่ำแล้วถึงจะพยายามค้นหาตอนนี้ก็มองไม่เห็นยู่วัายังค่ำและก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งสิน่นเรากลับลงไปยังที่พักได้แล้วนะครับเพื่อจะได้เตรียมขนย้ายขึ้นไปอยู่บนเนินนั่นก่อนตะวันตกดินครับระพินไครวันบอกทุกคนคว้าไรเฟินประจาตัวลุกขึ้นยืนตามเขาโดยเร็ว อากาศเริ่มจะทวีความเย็นอย่างน่าคิดลงทุกขณะระหว่างที่พรานใหญ่นำนายจ้างทั้งสี่ของเขาตัดเขาบ่ายหน้ากลับที่พักมันเย็นผิดไปกว่าเมื่อสองวันนี้มากขณะที่ทั้งห้าคนกลับลงมาถึงที่พักบุญคำกับพวกพรานพื้นเมืองจัดเตรียมอาหารมือเย็นไว้เรียบร้อยแต่วันแงไซนั้นกลับมาถึงก่อนแล้วประมาณสินาที เทาสั่งให้ทุกคนกินอาหารกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งมันก็เป็นสบียงมือสุดท้ายละจากเนื้อย่างรมควันที่เหลือพอเสร็จสักก่อนที่ความมืดจะโรยตัวลงมาพรานใหญ่ก็บอกให้คนของเขาเก็บข้าวของในลักษณะย้ายแคมป์เตรียมเดินทางด่วนเราจะยังไม่ไปไหนไกลทั้งสิ้นแต่จะขึ้นไปรอยอยู่บนใจกลางเนินพระจันทร์ก่อนค่าวันนี้เขาประกาศกับคนของเขาทุกคนเพื่อเข้าใจในจุดมุ่งหมาย ระหว่างการบรรจุของลงหีบหอ่อผูกและมัดท่านหัวหน้าคณะก็เรียกแง่สายผู้เงียบขรึมอยู่ตลอดเวลาให้เข้ามาอยู่ตรงหน้าท่ามกลางพรรคพวกของเขาและพรานใหญ่นี่แง่สายไปหายไปทั้งวันมองเห็นลูกทางอะไรคืบหน้าบ้างไหมยอมพเนจรสั่นสีษับแช่มชาแง่สายยังมองไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลยนายใหญ่ แล้วการตเวนไปทางด้านไหนบ้างล่ะพรานใหญ่ถามขณะที่จ้องหน้างะายชี้ไปทางเขาสิวเทพและททำมือวนเป็นรูปครึ่งวงกลมผมไปไกลาทางด้านตะวันตกโน่นนะครับหลังเขาสิวเทพแล้ววกอ้อมขึ้นไปด้านเหนือจนชิดเทือกใหญ่แต่ก็ไม่ช่วยให้ได้ความคิดอะไรขึ้นมาเลยทุกยอดเขาทุกเส้นยญ้ามีความลี้ลับอยู่ในตัวของมันเองทั้งสิ้น ผู้กองนั้นนำคณะเจ้านายขึ้นไปบนยอดเขาด้านใต้นั้นไม่ใช่เหรอครับใช่เราขึ้นไปบนนั้นแล้วมองย้อนกลับลงมายัางภูมิประเทศเบื้องล่างนี่ดารินเป็นผู้กล่าวแทนแต่ก็ไม่ช่วยเราฉลาดหรือมองเห็นความสําเร็จใดๆเพิ่มขึ้นเลยก็เลยอยากจะถามทางด้านเธอดูบ้างทุกคนเห็นแง่ทายนั่งชันเขา่าหลับตานิ่งไปชั่วขณะ เอามือทั้งสองรูปที่เรือนผมอยากเป็นคลื่นยาวโปรกท้ายทอยครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นเรากำลังจะเคลื่อนย้ายไปบนนึงพระจันทร์เดี๋ยวนี้เหรอผูกองระพินก้มศีสั์ลงใช่โดยคำสั่งของลายแทงถ้าเช่นนั้นเวลาสำคัญของเราก็มาถึงได้แล้วครับผมเพิ่งจะมาเชื่อแน่เอาเดี๋ยวนี้เองว่าปัญหาใดๆก็ตาม ที่เราพยายามใช้ปัญญาขบคิดกันอยู่ตลอดทั้งวันนี่มันจะไม่เกิดผลเป็นอันขาดจนกว่าจนกว่าจะขึ้นไปอยู่บนเนินพระจันทร์หลังตะวันลับฟ้าไปแล้วคืนนี้มันจะหนาวเย็นผิดไปกว่าทุกคืนยิ่งนักและถ้าเราหาทางขึ้นไม่สำเร็จผมเกรงว่าเราจะดารงชีวิตอยู่รอดต่อไปอีกไม่ได้เพราะไม่มีสัตว์ชนิดใดเหลืออยู่ในละแวกนี้เพื่อให้เป็นอาหารของเราได้อีกเลย มะป่าฝูงนั้นตอนลงป่าล่างไปหมดสิ้นแล้วพืชที่จะใช้เป็นอาหารก็หาไม่ได้เลยนอกจากหญ้าคำพูดของแง่ทรายทำให้ฝ่ายนายจ้างพากันนิ่งเงียบกันไปหมดรพินไรวันยิ้มเยือกเย็นพวกเราทุกคนรู้กันมาล่วงหน้าแล้วละ่ะแง่ทรายว่าคืนนี้ถ้าเราตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะไม่ได้ตามลายแทงก็หมายถึงว่าพินาศกันทั้งหมด คืนนี้นะมันจึงเป็นคืนที่ตัดสินอนาคตของเราทุกคนจะอยู่หรือจะตายซึ่งเราจะได้รู้กันชั่วไม่นานนี่แหละกล่าวจบเขาก็เรียกบุญคำเข้ามาจัดการเตรียมยาป้องกันหนาวสำหรับพวกเราทุกคนนะแจกจ่ายให้ครบจำนวนโดยประหยัดที่สุดยกเว้นนายแหม่มคนเดียวไม่ต้องให้แล้วเขาก็เคลื่อนเข้ามาหยุดหยุดตรงหน้ามาเรีย ผู้มีชัยยันยืนเคียงโอบไหลยย่ยู่ยิ้มให้อย่างปลุกปลอบใจเมคุณอัดลำบากกว่าทุกคนในคืนนี้นะแต่ถ้าจำเป็นเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากความปลอดภัยในชีวิตคุณเท่านั้นสามียืนอึง้งแต่เมียแมมหัวเราะเสียงใสไม่หวั่นต่อสิ่งใดๆดทั้งสิ้นไม่ต้องห่วงชั้นไรวัน เดี๋ยวนี้นะ่ะฉันคุ้นเคยดีแล้วกับสภาพดินฟ้าอากาศของที่นี่ต่อให้เดินลุยไปบนหิมะก็เชื่อว่าไปไหวขอให้คุณตั้งใจในการนำทางให้ดีที่สุดชีวิตของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นพลางใหญ่ก้มศีรษะให้นิดหนึ่งพลางถอยห่างออกมารวจดูความเรียบร้อยของกระบวนบุญคำผสมยาเสร็จรินใส่ถ้วยพลาสติกแจกจ่ายให้กับทุกคน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อสู้กับความหนาวเย็นในคืนนี้ทองควาเริ่มจะขมุกขมัวลงทุกขณะพร้อมด้วยความเย็นที่แพ่จับไปทุกยอดหย้าเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจอมพรานก็โบกมือให้สัญญาณนำขบวนทั้งหมดเคลื่อนตามร่องเนินบ่ายหน้าขึ้นพื้นที่ราบสูงด้านบนอย่างเงียบๆทั้งหมดพากันเดินด้วยอาการอันสงบปราศจากความรีบร้อน ท่ามกลางความมืดที่เริ่มจะแพ่คลุมลงมาในหุบเทือกพระศิวะไม่มีใครเอ่ยพูดคำใดกันทั้งสิ้นในระหว่างการเดินช่วงระยะทางสั้นๆนั้นบังเกิดความเงียบเงาขึ้นอย่างประหลาดผิดไปจักทุกครั้งทุกคนล้วนจมอยู่ในพวังคิดถูกแล้วเขาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนตระหนักได้ดีว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วสาหรับการตัดสินอนาคต ระหว่างอยู่หรือตายนักดินแดนอาถรรพ์ที่แวดล้อมไปด้วยมรตยูน้ำแข็งแห่งนี้คนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเข้าข้างตนเองได้เสมอแต่ในส่วนลึกของความคิดที่เข้าข้างตนเองนั้นก็ยังอดที่จะหวาดระแวงพั่นพรึงต่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นใช่ไหได้แม้แต่ระพินไพรวันผู้ที่ทั้งชีวิตของเขาเล่นอยู่กับเกมเสี่ยงตายมาโดยตลอด ความหวังของเขาแบบัดนี้มีอยู่ไม่ถึงครึง่งนณะพื้นที่ราบโลง่งในกลางบริเวณพิวบิกแอเรียซึ่งอุดมไปด้วยหญ้านุ่มเขียวสดประหนึ่งพร ม, ร, รมกรรมยี่ที่ปูลาดอยู่ใต้ฟ้ากว้างพรานใหญ่สั่งให้หยุดขบวนปลงหาบลงตรงนั้นทั้งหมดชุดกายลงนั่งรวมวหมู่แหงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่ง บ, บัดนี้มืดสนิทลงแล้ว ได้ยินก็แต่เสียงลมบนครางอยู่วีดวื้อบรรยากาศข้นหนักมีละอองน้ำแทรกปะบนอยู่แทบทุกอนุจนทำให้ร่างกายและเสื้อผ้าที่นุ่งห่มกันอยู่ในขณะ น, นี้เปียกชื้นมาเรียมมีอาการหนาวสะทานอยู่เป็นระยะภายใต้เสื้อแจ็เก็ตหนังบุนวมหนาของเชิฐขาซึ่งสลัให้ส่วนคนอื่นๆปราสจากอาการสะดุ้งสะเทือนต่อสภาพอันเย็นเยือกราวกับอยู่ขั้วโลกเหนือ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 ที่ไม่มีใครคิดอยากจะเอ่ยคำใดขึ้นมานั้นท้องฟ้ายามราตรีที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกดูทะมึนมืดไปหมดก็เริ่มปรากฏเงาของแสงจางๆขึ้นทางด้านตะวันตกแล้วไม่นานต่อมาเมื่อทูบของบุญคำที่ปักไว้ถูกไฟกินเป็นเท่าไบประมาณสามในสี่ส่วนจันเซี่ยวรูปเคียวก็เริ่มจะโผล่มุมแหลมด้านหนึ่งออกมาให้เห็นรัศมีของมันอ่อนสลัว และดูราวกับว่าจะแขวนอยู่บนขอบเมฆใกล้ๆแทบเอื้อมมือหยิบได้ฉะนั้นปินพระสิวะโผล่กออกมาเห็นโน่นแล้วชยันร้องขึ้นพร้อมกับชี้มือทุกคนแงนจ้องเป็นตาเดียวอย่างเฝ้าพินิษเอาใจจดจ่อเชิฐาเลิกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบนาที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 ก็ปิ่นพระศิวะโผล่ดวงฉายแสงอยู่บนฟ้านั่นแล้วอะ่ะแล้วยังมองไม่เห็นอะไรอย่างที่คนตายเมื่อสี่ร้อยปีบอกไว้สักหน่อยมันไม่มีข้าวเลยใจเย็นๆชะยันอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายไปก่อนสิเชษฐาเตือนสติอดีตนายทหารปืนใหญ่เริ่มหุดหิดกระสับกระสายเราตั้งความหวังไว้เพื่อรอเห็นพระจันทร์หาขั้ดวงนี้ไม่ใช่เหรอขุบ ป, ปาก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 หรือ ม, มิฉะนั้นเราก็ตีความหมายตามคำสั่งของลายแทงผิดกันไปหมดไม่มีใครสนใจกับคำพูดของชัยยันผู้บัตรนี้แสดงอาการสิ้นหวังท้อแท้เต็มทีแม้กระทั่งมาเรียก็ยังอดไม่ได้ที่จะรำคาญ น, นี่ชัยันคุณเป็นคนใจสอดและขี่โพตีภายนะแม่ผมทองกระซิบตำหนิสามีจำเป็นของหล่อน สลัดแขนที่เอื้อมาจากกอดของชายันให้เฉห่างตัวออกไปพร้อมกับพยุงกายขึ้นยืนนอนอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องส่งเสียงอะไรอีกนะกล่าวจบหล่อนก็เดินเข้ามาสมทบที่ระพินเชษฐาและดารินผู้กำลังจมอยู่ในความคิดสำหรับแงกชายในขณะนี้ก้าวออกไปยืนเด่นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันเป็นที่ตั้งตงงานของเขาสิวเทพ ซึ่งเห็นเป็นเงาทะมึนอยู่ร่างนั้นรึงอยู่กับที่สนิทนิ่งเหมือนท่อนหิมกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้งหกพากันนั่งกอดเขารวมหมู่กันอยู่ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดทั้งสิ้นคนเหล่านี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยคบคิดตี ป, ปัญหาใดๆได้นอกจากรอคอยฟังคำสั่งแต่อย่างเดียวระพินก้าวช้าๆตามเข้าไปหยุดอยู่เคียงข้างแงาซาย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 ก็เมื่อคืนนี้ในเวลาเดียวกันนี้มันคล้อยต่ำลงไปมากเพราะเป็นข้างขึ้นที่อ่อนกว่าแต่คืนนี้จันยังทำมุมสูงมันจะตกช้าลงกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาการรับเหลี่ยมเขาสิวเทพนน่นก็เหมือนกันมันจะต้องคล้อยรับลงในมุมเฉียงผิดกันไปเรายังมองไม่เห็นเขาเงื่อนอะไรเลยนะแง่ทาย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 ทั้งๆ ท, ที่เมื่อแรกเต็มไปด้วยเมฆหมอกปกคลุมหนาทึบแต่ภายหลังเมื่อมันปรากฏดวงให้เราเห็นแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีข้าวว่าจะมีเมฆมาบดบังไว้อีกเลยและนับเวลาที่ผ่านไปก็เริ่มจะฉายแสงสว่างนวลขึ้นเป็นลำดับฉันเชื่อว่ายิ่งดึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งสว่างขึ้นเพียงนั้นนะเ <contexto? S 1> มเธอหมายความถึงว่าเราจะต้องเฝ้าจันทร์เสี้ยวดวงนี้ไว้ตลอดเวลาเหร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 ก็ฉุดแขนระพินกับแงซรายคนละข้างบอกว่าอ่ะเรากลับไปนั่งรวมกลุ่มันดีกว่าเพราะถึงจะเดินมุ่นงานกระสับกระสายยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกเป็นนั้นว่าเราจะช่วยกันเฝ้าจับมองวิถีโคจรของจันทร์เสี้ยวคืนนี้ไปทุกระยะจนวินาทีสุดท้ายก็มันรู้ไปว่าเราไม่ได้ความคิดหรือเห็นข้าเงื่อนอะไรขึ้นมาบ้างเลย ทั้งหมดกลับเข้ามานั่งจับเจ่ารวมหมู่กันอีกครั้งแง่สายทอดกายลงนอนหงายเหยียดยาวบนพื้ น, นหญ้าอันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างแขนทั้งสองไขว้ประสานกันรองสีสักหน้าแงนงเงยขึ้นจับจ้องดวงจันตลอดเวลาจริงอย่างที่มาเรีย ว, ว่ายิ่งดึกจันเซี่ยวก็ยิ่งฉายแสงสว่างนวลขึ้นทุกขณะ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 หิมะเริ่มพรางพรมลงมาเป็นละอองจับเป็นเกล็ดขาวโพลนอยู่ทั่วไปทุกแก่งเนินโขดเขารอบด้านและเริ่มจะขยายแนวจากบริเวณยอดเขาสูงกระจายเกล็ดน้ําแข็งลักษณะปุ๋ยหวานลงมายัางทุ่งหญ้าเบื้องล่างครั้งแรกก็เบาบางก่อนโดยปุ๋ยแรกปลิวลงมากระทบต้นคอของชัยยันจนต้องสะดุ้งหยงและต่อมาก็โปรยปลายหนานแน่นขึ้นทุกขณะ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 ขอให้ท่านที่มาตามลายแทงนี้จงขึ้นมาสงบใจรอคอยอยู่บนเนินพระจันทร์เสียงช ย, ยันกล่าวขึ้นในลักษณะพึมพมท่อเป็นพระศิวะใช้แสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาก็จะหลั่งน้ำนมคือหิมะลงมาฝังทั้งเป็นเมื่อนั้น นี่คือข้อความที่น่าจะถูกต้องที่สุดอย่างที่เราพบอยู่ในขณะนี้นะคำพูดของอดีตนายทหารปืนใหญ่สร้างความเงียบงันขึ้นกลางดวงใจของทุกคนอย่างประหลาดแม้แต่ระพินไพยวันเองแต่ยินประโยคนั้นแล้วก็มีความเห็นด้วยว่าชายันน่าจะพูดได้ถูกต้องที่สุดแนละ้วเมื่อคือเวลาเดียวกันนี้พระจันทร์ขึ้นห่างกันเพียงค่เดียวเท่านั้น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 ไงบุญให้เทวดาใสาน้ำแข็งลงมาหมกเราหรือไงเสียงบุญคําหัวเราอฮือตอบมาเปล่านายทหารบุญคําไม่ได้บุญให้เทวดาท่านใสน้ำแข็งลงมาใส่เรารอกบุญคําเห็นเจ้านายทุกคนเฝ้ารอคอยจะเห็นพระจันทร์เมื่อหลังตะวันตกดินไปแล้วตอนนั้นเมฆหมอกมันปกคลุมมืดไปหมดบุญคําก็เลยจุดธูป บ, บอกฟ้าดิน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 แต่อยากให้บุญคำไปจุดทูบอีกสักเจ็ดดอกนะบอกฟ้าดินให้หยุดพรมน้ำแข็งทันทีเถอะแล้วช่วยเปิดทางให้เราด้วยถ้าไม่งั้น น, ะนายแม่มของบุญคำจะแข็งตายก่อนคนอื่นๆเนี่นนะตาพรานเท้าหั ว, หวรอแห่พร่าอยู่ในลำคอเช่นเดิมนายทหารการบวงสวงขอลากขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขานะ่เขาทากันได้ไม่บ่อยนักหรอก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 ถ้าเราอยู่กันตรงที่พักแห่งเดิมก็จะสบายกว่านี้พรานใหญ่บอกบุญคำแต่เพียงว่าเราจะต้องเดินทางกันภายในคืนนี้แหละแต่บุญคำมองไม่เห็นทางเลยนะว่าเราจะเดินกันไปได้ยังไงมืดมืดแล้วก็เต็มไปได้วยน้าแข็งอย่างนี้บุญคำพูดออกมาจากความรู้สึกแท้จริงของแกถูกแล้วตัวแกเองและพวกพรานพื้นเมืองทุกคน ไม่มีโอกาสจะทราบได้เลยว่าอะไรเป็นเจตานาหรือจุดมุ่งหมายของครานใหญ่กับคณะนายจ้างที่ให้ขึ้นมาเตรียมเดินทางอยู่บนเลนกลางที่โลง่งภายในคืนนี้หน้าที่ของแกและลูกน้องทุกคนมีก็แต่เพียงปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะโต้แย้งคัดค้านตรับใดก็ตามที่มันเป็นคำสั่งมาจากครานใหญ่ซึ่งทุกคนฝากความเชื่อมั่นไว้ให้เต็มเปียก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 ปล่อยให้หิมะพรมลงมาบนตัวเขายังปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ่งแง่สายนั้นทอดสายตาจับนิ่งไปยังเขาพระศิวะซึ่งบัดนี้จับขาวโพลนไปด้วยหิมะราวกับปีศาจเผือกยืนทมมืนอยู่กลางเงามืดเป็นการมองอย่างเมือลอยปราศจากความหมายอดีตร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนไทยกับอดีตร้อยโทกองโจรกะเรียง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 ก็ตกอยู่ในมนสกดของละอองหิมะเวลาจะผ่านพ้นไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้พรานใหญ่สะดุ้งรู้สึกตายขึ้นเมื่อสัมผัสกระ ฟ, า, ฟามืออันอบอุ่นที่ลูบไล้อยู่บนไหล่กำลังบัญจงปัดกองหิมะที่หล่นลงมาสุมอยู่บนตัวของเขาให้หลุดออกไปเอี้ยวหน้ามามองก็เห็นเจ้าของมือนั่งพับเพียบอยู่ข้างๆมือข้างนั้น ยังจับอยู่บนไหลของเขาพร้อมทั้งอาการบีบเน้นหนักหน่วงเหมือนจะปลุก ป, ประสาทอันมึนงงให้ตื่นขึ้นมาเขาไม่คิดเลยว่าจะเห็นรอยยิ้มอย่างเมตตาเกอบไปด้วยความเชื่อมั่นจากพลังใจอันกล้าแข็งบนใบหน้าที่งามเหมือนเทพธิดานั้นขณะนั้นจันทร์เซี้ยวยิ่งคล้อยต่ำลงไปทางฝากตะวันตกใกล้จะรับเหลี่ยมเขาอยู่เต็มที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 เห็นดวงตาคู่สดใสเป็นประกายจับมองอยู่ก่อนแล้วยิงตะวัดร่างนั้นให้เข้ามากอดประทับไว้กับสวงแนบแนบคุณหญิงครับครางออกมาอีกครั้งด้วยความตื้นตันสะท้อนโทมนัสใจแทบจะเอ่ยคำใดออกมาไม่ได้ดวงตาทั้งคู่แห้งผากผมผมเห็นจะผิดพลาดใช่แล้วละครับคุณหญิง ในการนำทางช่วงสุดท้ายนี้แล้วก็จะพาให้พวกเราประสบเคราะห์ร้ายกันทั้งหมดดารินวราริกยังคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นสายหน้าแช่มชาอย่างไม่เห็นด้วยในขณะที่ประคองฝ่ามือทั้งสองลูบไล้ใบหน้าเขาเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีวันที่คนชื่อระพินไพรวรรณจะนำทางผิดฉันเชื่อมั่นเช่นนั้นและเอาความเชื่อมั่นนี้มามอบให้แก่ชายคนหนึ่ง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 แล้วออกสาวเท้าย่าหิมะตรงไปทางด้านตะวันตกที่ดารินบอกทันทีราชสกุลสาวกวดหลังเข้ามาติ๊งติประมาณไม่เกิน39ก้าที่ทั้งสองย่าฝ่าไปบนกองหิมะ ซึ่งปกคลุมพื้นหญ้าอยู่ท่ามกลางแสงอ่อนวนวลของจันเสี่ยวที่ทอดลงมาส่องทางก็พลันมองเห็นเงาตะคุ่มสูงตระงานยืนหันหลังให้สงบนิ่งอยู่กับที่ระพินออกเสียงเรียกหนักๆในลำคอกลางเร่งฝีเท้าตรงเข้าไปโดยเร็วถึงตัวก่อนที่เขาจะอ้าปากคำใดออกมานั่นเองเงาายผู้ยืนอยู่เหมือนท่อนหินก็ยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปทางเขาสิวเทพ ที่กาลังยืนเผชิญหน้าอยู่พร้อมกับเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบที่บอกมาว่าดูโน่นครับผู้กองรบพินอ้าปากค้างหันขวับไปทางมือชี้ของแง่ า, ายดารินก็แง้วูบขึ้นพร้อมกันสิ่งที่ปรากฏกับสายตาทำให้อีกสองคนที่เพิ่งจะเดินตามเข้ามาถึงจ้องด้วยดวงตาแทบเบิกถลนแทบจะเชื่อสายตาเซม่ได ดาริงยกมือขึ้นปิดปากหลุดเสียงร้องออกมาอย่างลืมตัวว่าคุณพระช่วยเทวุรูปพระซิวะสิ่งที่เผชิญหน้าคนทั้งสามอยู่ณบัดนี้ประดุจภาพที่เกิดจากในมิตฝันหรือมิฉะนั้นก็ตาฝาดไปฉะนั้นร่างหนึ่งสถิตอยู่เหนืออาสนะรังงานเงื้อมจรดขอบฟ้าหัดเบื้องซ้ายวางอยู่กับพระเพลา หัดเบื้องขวาทรงตรีอันเป็นเทพอาวุธมีพญาผูชงพันพาดเป็นสายสังวานบนมุ่นกล้าวยอดเมาลีคือจันเซียวที่ประดับอยู่เป็นปิ่นทรงประกายรังสีอารามเรืองสว่างสวัยไปทั่วปริมณฑลจนสามารถแลเห็นพระพักอันสง่างามและโอดซึ่งเพย์แย้มน้อยๆ อ, อย่างปราณีลงมายังสามมนุษย์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 ได้แปรลักษณะการเป็นเทวรูปพระศิวะไปอย่างเด่นชัดเมื่อจันทร์เสี้ยวขึ้นห้าขัโน้มดวงลงมาแตะสัมผัสกอให้เกิดปรากฏการณ์ที่งามอย่างมหัศจรรย์พันลึกเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ล่วงหน้าเป็นพระศิวะนั่นคือเป็นพระศิวะใช่แล้วเพราะนั่นคือเทวรูป ข, ของมหาเทพเห็นชัดอยู่นั่น เสงดารินตะโกนแหลมกล้องไปทั่วด้วยความตกใจระคนปิติเย็นดีจนแทบช็อกระพินไทวันบัตนี้เลือดในกายประหนึ่งจับเป็นก้อนแข็งจากภาพปรากฏการณ์ที่เห็น